แนะนำบทอัสซะยาดะห์บทอัสซะยาดะห์เป็นบทมักกียะห์มี 30 องค์การมีสภาพคล้ายคลึงกับบทมักกียะห์อื่นๆที่ได้กล่าวถึงหลักการอะกีดะห์ของอิสลามคือการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ต่อวันปรโลกต่อบรรดาคัมภีร์ต่อบรรดารอซูลต่อการฟื้นคืนชีพและการตอบแทนจุดมุ่งหมายหลักของบทมักกียะห์ในการดำเนินเรื่อง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 ดังนั้นอัลกุรอานได้กล่าวถึงความสงสัยแบบคนปัญญาอ่อนของพวกบูชาจเวตในการที่พวกเขาปฏิเสธการฟื้นคืนชีพและการชุบนุมในวันปรโลกอัลกุรอานได้กล่าวตอบข้อสงสัยนั้นด้วยหลักฐานอันเด็ดขาดและชัดแจ้งจนกระทั่งพวกเขายอมรับในความประชัยของพวกตนต่อหน้าหลักฐานบทนี้จบลงด้วยการกล่าวถึงวันแห่งการสอบสวน และสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงจัดเตรียมในวันนั้นไว้สําหรับบรรดาผู้ศรัทธาผู้ยำเกรงคือความสุขสําราญอันถาวรในสวนสวรรค์อันหลากหลายและสิ่งที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้สําหรับบรรดาผู้ปฏิเสธคือการลงโทษและการใส่โซ่ตรวนในนรกยานนําบทนี้ถูกเรียกชื่อว่าบทอัสซะยาดา โปรพรอมซุนกล่าวถึงลักษณะของผู้ศรัทธาผู้กระทำดีซึ่งเมื่อพวกเขาได้ยินบรรดาโองการของอัลกุรอานพวกเขาจะก้มลงกราบและสรรดูดีสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่หยิ่งผยองซุนนะฮ์ให้อ่านบทนี้ในละหมาดซุบฮิคือในเช้าวันศุกร์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยอ่านในละหมาดฟัจร์ของวันศุกร์ 2 บทคืออาลีฟลามมีมตันซีนและอัลฮาตาอลัลอินซาส่วนใหญ่ของผู้ไม่มีความรู้คิดว่าจุดมุ่งหมายในข้อแตกต่างของการละหมาดนี้คือมีการสุญูดเพิ่มขึ้นและเรียกกันว่าสุญูดของวันศุกร์เมื่อผู้ใดไม่ได้อ่านบทนี้ก็ชอบที่จะให้อ่านบทอื่นที่มีสุญูด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 ผู้ใดเป็นการสอดคล้องกันนี่คือลักษณะเฉพาะของวันสุบบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออะลีฟลามมีม انزل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين كان برهانลงมาของคัมภีร์นี้โดยไม่มีข้อสงสัยใดๆนั้นจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก อام يقولون افتره بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتهم من نذير من قبلك ما اتهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون رء พวกเขากล่าวว่าเขามูฮัมหมัดได้แต่งคัมภีร์นี้ขึ้นมาแต่ถ้าว่าคัมภีร์นี้คือสัจธรรมจากพระผู้อธิบานของเจ้าเพื่อเจ้าจะได้ตักเตือนกลุ่มชนหนึ่งที่มิได้มีผู้ตักเตือนคนใดมายังพวกเขาก่อนหน้าเจ้า وان واعواពួកគេจะได้อยู่ในทางนำที่ถูกต้อง الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام في سته ايام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون อัลลอฮฺคือผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองในเวลา 6 วันแล้วพระองค์ทรงสถิตอยู่บนบัลลังก์สำหรับพวกเจ้านั้นไม่มีผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลืออื่นจากพระองค์และพวกเจ้าไม่ได้ใคร่ครวญบ้างดอกหรือยุดบิรุลอัมระมินัสสะมาอ์อิลาลอัรฎิซุมมายะอรูจุอิไล ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون พระองค์ทรงบริหารกิจการชั้นฟ้าสู่แผ่นดินและมันก็จะขึ้นไปสู่พระองค์ในวันหนึ่งซึ่งกําหนดของมันเท่ากับ 1000 ปีตามที่พวกเจ้า นั่นคือพระผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับและเปิดเผยเป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงเมตตาเสมออัลลซีอะห์ซะนะคุลลัยชัยอ์คอละกะฮูวะบะดะอะห์ละกัลอินซานมินตีนผู้ทรงทําให้ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมันให้ดีงามและพระองค์ทรงเริ่มการสร้างมนุษย์จากดินซุมมะอะจอะละนะสละฮูมินซุลาระติ ماء امهين แล้วทรงให้สืบตระกูลของมนุษย์มาจากน้ําอสุจิอันต่ําต้อยซุมมาซาวาฮูวะฟะคัฟีฮิมินรูฮิวะจอะละละกุมุสซัมอะวัลอบซาระวัลอัซีดะกะลีลันมาตัชกุรุนแล้วทรงทําให้พวกเขามีสัดส่วนที่สมบูรณ์แล้วทรงเผ่าวิญญาณของพระองค์เข้าไปในเขา และส่งให้พวกเจ้าได้ยินและได้เห็นไร้มีสติปัญญาส่วนน้อยเท่านั้นที่พวกเจ้าขอบคุณละพวกเขากล่าวว่าเมื่อเราได้สลายตัวลงสู่ใต้แผ่นดินไปแล้วเราจะเกิดขึ้นมาใหม่กระนั้นรึแล แต่พวกเขาปฏิเสธต่อการพบพระผู้อภิบาลของพวกเขากุลียะจะวัฟาคุมมะละกุลเมาตอัลลีมุกิละบิคุมซุมมาอิลาร็อบบิคุมตูรญะอูนจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่ามะละกผู้ปิดชีวิตผู้ที่เดรับมอบหมายเกี่ยวกับพวกเจ้าจะปิดชีวิตของพวกเจ้าและพวกเจ้าจะถูกนํากลับไปยังพระผู้อภิบาลของพวกเจ้า وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلِ الصَّالِحَ إِنَّا مُوقِنُونَ لَئِنَّ ٱللهَ دَرَهُنَ مَؤُهُ كَرَتَمْ كَامْ بِيْ تَنْغَاوْ نَاتِيْ بْرَ بُو อภิบาลของพวกเขาพางกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเรา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 وَمَن يُؤْمِنْ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ แพทติงบรรดาผู้ศรัทธาต่อองค์การทั้งหลายของเรานั้นเมื่อพวกเขาถูกเตือนให้รำลึกถึงมันพวกเขาก็จะก้มลงกราบ และการสรูดีสรรเสริญแด่พระผู้อภิบาลของพวกเขาโดยไม่ยิ่งหย่อนผยอง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 अम्माल्लदीना आमनू व अमलुस सालिहाति फलाहुम जन्नतुल् मावा नुजुलन बिमा कानु यअमलून सुन बन्दा पुसत्था دؤدئتتรียมไวตามผลงานที่พวกเค้าได้กระทำไว้ واما الذين فسقوا فمؤاهم نار كلما اود ان يخرج منها اعيدوا فيها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون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 ต่อไปเถิดวะลนุซีกอนนะฮุมมินัลอาซาบิลอาดนาดุนัลอาซาบิลอักบารอัลละฮุมยัรญิอูนแลเนนเราได้ให้พวกเขาลืมรสการลงโทษอันใกล้ในโลกนี้ก่อนการลงโทษอันยิ่งใหญ่ในปรโลกเพื่อว่าพวกเขาจะกลับ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أعْرَضَ عَنْهَا إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ لَ بُدَّ لَاؤُ جَاءَ تَمْ يِنْ فِقْوَهُ تُكْذِرْ حَايَ رَمْلِكْ تِنْ องกานทังหลายของพระผู้อภิบาลของเขาแล้วเค้าก็ผินหลังให้องค์การเหล่านั้นแท้จริงเราเป็นผู้จองเวรผู้กระทำผิดทั้งหลาย ولقد اتينا موسى الكتاب فلا تكون في مذهبه من لقائه وجعلناه هدى لبني اسرائيل لدو แน่นอนเราได้ประทานคัมภีร์ให้แก่มูซาดังนั้นเจ้ามูฮัมหมัดอย่าอยู่ในการสงสัยต่อการพบมันและเราได้ทําให้มันคัมภีร์เตอรอห์ เป็นทางน้ำที่ถูกต้องแก่วงวานอิสราเอล